ขาแต่พระคุณเจ้าในชีวิตข้าพเจ้าได้ประกอบกรรมชั่วอันหนักยิ่งไว้เพราะความเขารู้เท่าไม่ถึงการข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจมากต่อกรรมชั่วนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับผลของกรรมชั่วแล้วข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ทรมานทางใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับประชาชนบางส่วนก็โกรธแค้นทิงช่างข้าพเจ้าจนกระทั่งตั้งเป็นกองโจรขึ้นต่อต้าน ข้าพเจ้าทราบดีว่าเขาโกรธแค้นและต่อสู้ข้าพเจ้าก็เพราะความชั่วของข้าพเจ้าเองด้วยใจจริงแล้วข้าพเจ้าไม่อยากจะตอบโต้ปราบปรามเขาเลยแต่ก็จำเป็นที่ต้องทำตามหน้าที่ถ้าเขาจะเลิกต่อสู้ข้าพเจ้าก็ยินดีให้อภัยทุกคนยิ่งกว่านั้นถ้าใครต้องการสมัครเป็นทหารในกองทัพหลวงเพื่อรบกับศัตรูข้าพเจ้าก็ยินดีจะรับ เพราะยังติดใจในฝีมือรบของเขาอยู่มากเกี่ยง แก่โจนทุกๆคนขอให้โจนทั้งหลายกลับคืนสู่บ้านเรือนของตนและประกอบสมมาชีพต่อไปเป็นปกติสุขบรรดานักโทษที่จัดไปเป็นทั่วประกันก็จะปลดปล่อยให้เป็นอิสระ เจริญท่านเป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งในยามสุขและในยามทุก์เพราะอาศัยท่านแทๆ้ๆเราจึงรอดพ้นจากความหายยะนะบัดนี้สงครามได้สิ้นสุดลงแล้วขอนิมนท่านอยู่เป็นที่พึ่งแก่เราที่พระเวรุวนารามนี้ต่อไปเถอะสงครามของท่านอาจจะยุติลงแล้วแต่สงครามของอาตมายังไม่ยุติ อาตมาจะต้องสู้รบขับเคี้ยวกับข้าศึกภายในคือกิเลส ต, ต่อไปสงครามของอาตมาเป็นสงครามกลองโจร ท, ที่จะต้องไปรบในป่าแบบเดียวกับสงครามของท่านอาตมาจึงขออำลาท่านออกเดินทางท่องเที่ยวจาริกต่อไป ต อ, อนอยู่พระเบลวัารามพอแกความต้องการแล้วก็จะออกเดินทางตามที่ตั้งใจไว้แต่แล้วเหมือนมีอุปสรรคมาหยุดยัง้งพวกเราเดรัจฉีนักบวชนอกาศาสนาซึ่งอยู่ในฐานะซบเซาเสื่อมโทรมมานานเพราะพ่ายแพ้ต่อพุทธบารมีได้ถือเอาความแต ก, กแยกวุ่นวายของพระสงฆ์ที่พระเทวทัตก่อขึ้นเป็นข้ออ้างประกาศโฆษณา ท่านถึงหลายท่าฮักพระสมณะโคโดมดีจริงแล้วท่นไหนจึงไม่สามารถทรมานพระเทวทัตผู้เป็นสาวกและญาติสนิทของพระองค์เองให้เป็นคนดีคากรัทธิของพระสมณะโคโดมดีจริงแล้วทําไมไม่สามารถเปลี่ยนใจอันหยาบท่าของพระเทวทัตผู้อุปสมบทมานานให้กลับดีได้ ไม่ใช่พระเทวทัตหรอกเหรอเจ้าชายอาชาชัตรูถึงจับรัชนกปรงพระชนและนำไพิบัตรมาจูมกขทธรกและพระเทวทัตนั้นก็ใครที่ล่ะถ้าไม่ใช่จาวคนสนิทที่ได้รับการบรรพชาบทสมบทมาจากสำนักของพระสมณะโคดมโดยตรงอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลาย ยังจะหลงงง่ายเชื่อถือพระองค์ูอีกหรือ ผู้เจริญท่านทราบข่าวพวกนอกศาสนาท้าพุทธบริษัทโตวาทีหรือยังได้ยินแต่ข่าวการใส่ร้ายส่วนการท้านั้นยังไม่ได้ยินพราะนั้นท้าว่ายังไงล่ะประกาศท้าว่าทั่ฝ่ายพุทธบริษัทยังยึดมั่นศรัทธาในลัทธิและในพระสมณโคดมขอให้ส่งพระภิกษุผู้เชี่ยวชาญแต่ฉานในธรรมวินัยไปโตวาเทกับพวกเขา ที่สำนักของนนคารนที่เทิงเขาอุทัยภายในเจ็ดวันเมื่อครบกำหนดแล้วยังไม่ส่งภิกษุผู้แทนไปฝ่ายนั้นจะถือว่าฝ่ายเราพ่ายแพ้อย่างราบคาบต่อจากนั้นจะได้ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไปท่านทราบอย่างนี้แล้วท่านคิดอย่างไรอาตมาไม่คิดอะไรมาก ท่านจะปล่อยให้พวกเดรัจถีโฆษณาใส่ร้ายทับถมพุทธบริษัทอยู่อย่างนี้โดยไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหาอย่างนั้นหรอือท่านเชื่อหรือว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาอันเป็นสัจธรรมจะล้มดลายหายสูญไปเพราะการใส่ร้ายของพวกเดรัจถิข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพระธรรมวินัยจะเสื่อมสูญไปภายในสองสามวันเพราะคาพูดของพวกเดรัจถี แต่ถ้าพวกเดรัธีไม่ละความพยายามในการให้ร้ายพระศาสนาและทางฝ่ายเราไม่ได้ตอบโต้บ้างก็พเจะวิตกรุ่งเกินว่าสักวันหนึ่งพระศาสนาจะเสื่อมสูญเปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่กําลังลุกโชนช่วงถ้าบุรุษพยายามดับด้วยน้ําทีละราฝายมือโดยไม่หยุดยัง้งในที่สุดก็อาจจะดับลงได้เหมือนกันจริงของท่าน ท่านผู้เจริญขอท่านอย่าเพิ่งตายใจว่าฐานะของพระศาสนาในมคตธรัจจะมั่นคงไม่มีวันเสื่อมสลายลงด้วยภยัยใดๆ แม้แต่ต้นไม้ใหญ่ที่ถูกเทาย่านสายเกี่ยวพันปกคลุมทีละน้อยยังเหี่ยวเฉาตายได้ในที่สุดแม้คำสอนของพระบรมศาสดาจะเป็นสัจธรรมมีประจำอยู่ในโลกก็ยังมีบางยุคบางสมัยที่ไม่มีคนรู้จักเพราะคนส่วนใหญ่ย่อมตกอยู่ใต้อำนาจอวิชชาและโมหะถูกโฆษณาชักชวนในทางผิดบ่อยๆเข้าในที่สุด ก็ยอมเห็นทางผิดเป็นทางถูกเห็นทางถูกเป็นทางผิดได้เหมือนกันขอท่านจงเห็นแกพุทธบริษัทชาวมคตช่วยกำจัดปัดเป่าเสียนน้ำแห่งพระศาสนาในคราวนี้ด้วยเถอะแต่ตมาตั้งใจจะออกเดินทางจาริกอยู่แล้วพระภิกษุรูปอื่นที่สามารถพอที่จะเกาะกู้ฐานะของชาวพุทธไม่มีแล้วเหรอไม่มีเลยข้าพเจ้ามองไม่เห็นใคร พระบรมศาสดาและบรรดาพระอาหารหันตสาวกต่างก็เสด็จไปกรุงสาวัตถีหมดสิน้นถ้าจะส่งคนไปนิมนต์มาตอบโต้กับพวกเดรธีเห็นทีจะไม่ทันการเขากำหนดเวลาให้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นข้าพเจ้ามองไม่เห็นภิกษุรูปใดในนครราชฤกจะมีความสามารถพอที่จะโต้วาทีกับพวกนั้นได้นอกจากทันเท่านั้นถ้าอย่างนั้น ให้อาตมาคิดดูก่อนจะให้ข้าพเจ้ามาฟังผลการตัดสินใจเมื่อไรหลังจากวันนี้ไปสามวันถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอลา ก็ครบกําหนดสามวันตามนัดหมายแล้วท่านตัดสินใจรับคําทาของพวกนอกศาสนาแล้วหรือยังยังสงครามกลางเมืองระหว่างข้าพเจ้ากับไอาชาตศัตรูได้สิ้นสุดลงแล้วเพราะท่านไกลเกลียบัดนี้สงครามของท่านเองได้เกิดขึ้นเป็นสงครามระหว่างลัทธิศาสนาซึ่งท่านมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เมื่อสงครามของท่านเกิดขึ้นแล้วเช่นนี้ท่านกลับไม่ต่อสู้จะปล่อยให้พุทธบริษัทพ่ายแพ้อับอายให้พระศาสนาถูกย่ำยีโดยเหล่าดิระถีจนพังทลายต่อหน้าต่อตาอย่างนั้นหรอเอาเถอะอาตมาตกลงรับคำท้า ผชนทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้าวันนี้การโต้วาทีครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างสาวกของพระสมณะโคดมและสาวกของพระศาสดาหมหาวีระจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการโต้วาทีคราวนี้จะเป็นไปในรูปของการสนทนาโต้ตอบให้ฝ่ายหนึ่งถามขึ้นก่อนและให้อีกฝ่ายหนึ่งตอบเป็นสกาวาทีและปลาวาทีถ้าฝ่ายสกาวาทีไม่พอใจต่อคําตอบของฝ่ายปลาวาที อนุญาตให้สักไซไล่เลี้ยงเพิ่มเติมได้ผมไม่ได้พอใจไม่มีอะไรสักถามอีกใครฝ่ายหนึ่งสักถามให้เป็นการบุตรชายวิสัชนาสลับกันไปแบบนี้จนกว่าจะยุติท่านทั้งสองจะเห็นเป็นประการใดท่านเทระข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านวีรสีหละล่ะข้าพเจ้าก็เห็นด้วยดีมากท่านผู้เจริญทั้งสองต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสิน เราจะให้มีประธานคนเดียวหรือจะให้มีคณะกรรมการหลายคนหรือจะให้ประชาชนทั้งหมดเป็นผู้ตัดสินหากไปแจวขอสเสนออะพูดไปขอให้มีประธานคนเดียวเป็นผู้ตัดสินทเทข้าเห็นผลละ่ะถ้าจะให้มีคณะกรรมการตัดสินก็จะต้องประกอบด้วยฝ่ายพุทธและฝ่ายนิครนจำนวนเ ท, ท่ากันเมื่อเป็นเช่นนี้ฝ่ายพุทธก็จะสับสนุนฝ่ายพุทธฝ่ายนิครน กาสนับสนุนฝ่ายนี้ครนในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็จะได้เสียงสนับสนุนเท่ากันผลการตัดสินก็จะเสมอกันทุกครั้งไปถ้าจะให้คณะกรรมการตัดสินก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกลางรายแค่ไหนถ้าให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรเพราะมหาสนิบาทนี้ประกอบไปด้วยเป็นจํานวนหมืน่นฝ่ายพุทธก็ไม่ ฝ่ายนิครนก็ไม่ฝ่ายเป็นกลางก็ไม่ฟังเสียงทุกๆคนก็จะใช้เวลาหลายวันเพื่อแก้ปัญหายุ่งยากเหล่านี้ข้าพระเจ้าจึงขอเสนอให้มีประธานคนเดียวเป็นผู้ถีขาดและประธานคนเดียวนั้นควรจะเป็นฝ่ายนิครนเพราะฝ่ายนิครนเป็นผู้ริเริ่มการต่อวาทีคราวนี้ เลี้ยงกัน สาธุชนทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าที่การวีระสีหะพูดนี้เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นโมไม่มีใครเห็นด้วยเราจะหาทางอื่นต่อไปเพื่อการตัดสินเป็นไปอย่างยุติธรรมที่สุดข้าพเจ้าใครขอฟังความเห็นจากท่านเลวะตะว่าจะให้ใครเป็นผู้ตัดสินในการต้วารีคราวนี้ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านวีระสีหะหมายความว่าท่านให้มีประธานตัดสินคนเดียวอ และประธานคนเดียวนั้นจะเป็นฝ่ายนิคารนก็ได้ฝ่ายพุทธก็ได้ฝ่ายคนกลางก็ได้แต่เนื่องจากสถานที่นี้เป็นสำนักของฝ่ายนิครนและนิครนเป็นผู้จัดให้มีการโตวาทีครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าประธานตัดสินชี้ขาดนั้นควรจะเป็นนิครน ทบริษัททั้งหลายโปรด ฟ, ฟังอาตมาก่อนอย่าเพิ่งโดนตัดสินใจตามความเข้าใจของตัวเองท่านผู้เป็นประธานก่อนที่ข้าพเจ้าจะยินยอมให้ท่านเป็นประธานตัดสินการโต้วาทีคราวนี้ข้าพเจ้าขอปรับความเข้าใจกับท่านก่อน อ, อ้าวเชิญเลยท่านเลวตาการต่อสู้แข่งขันระหว่างคนสองคนหรือหลายคนนั้นย่อมมีผลสามประการไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือชนะแพ้ หรือเสมอกันใช่หรือไม่อ่อใช่การชนะก็ดีการแพ้ก็ดีการเสมอกันก็ดีเป็นเรื่องที่ผู้ตัดสินจะเสกสารปั้นแต่งขึ้นมาเองหรือว่าเป็นผลงานของคู่แข่งขันเป็นผลงานของคู่แข่งขันถ้ายอย่างนั้นประธานผู้ตัดสินก็ไม่มีอำนาจที่จะทำให้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ชนะหรือแพ้หรือเสมอตามความพอใจของตนเป็นแต่เพียงผู้ชี้แจงตามความเป็นจริงว่า ฝ่ายนี้ได้คะแนนเท่านั้นควรชนะฝ่ายนั้นได้คะแนนเท่านี้นควรจะแพ้หรือทั้งสองฝ่ายได้คะแนนเท่ากันควรเสมอกันอย่างนั้นใช่หรือไม่อ๋อใช่พุทธชนทั้งหลายท่านคงจะเห็นแล้วว่าผลการแข่งขันทุกอย่างย่อมมีผลงานของคู่แข่งขันเองพอแข่งขันเสร็จสิ้นคนดูคนฟังก็จะทราบได้ทันทีว่า ฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะผู้ตัดสินเป็นเพียงผู้ประกาศผลนั้นอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นผู้ตัดสินที่ดีมีความยุติธรรมคือผู้ประกาศผลตามความจริงไม่ใช่ตามความประสงค์ของตัวเพราะฉะนั้นผู้ตัดสินสำคัญมากนักจะเป็นใครก็ได้ขอให้เป็นคนรักความจริงและความยุติธรรมก็แล้วกันท่านใจสัญญาแก่พุทธบริษัทได้ไหมว่า ท่านจะทำหน้าที่ได้ความยุติธรรมข้าพเจ้าให้สัญญาเ อ, อเดี๋ยวก่อนฟังข้าพเจ้าสักนิดพูดมาเลยเทวมิตรท่านภูเจริญการแข่งขันบางอย่างอาจนับคะแนนรู้ว่าใครแพ้ใครชนะได้ง่ายอย่างเช่นวิ่งแข่งกรรมการและคนดูย่อมเห็นได้ชัดว่า ใครถึงหลักชัยก่อนใครถึงทีหลังหรือการเล่นสกาก็ น, นับคะแนนได้ง่ายใครได้คะแนนเท่าไหรแต่การโต้ ว, วาทีเกี่ยวกับปริยาลึกซึ้งอย่างนี้ย่อมนับคะแนนไม่ได้แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ตัดสินย่อมมีทางตัดสินได้ตามความคิดของตัวเองข้าพเจ้าเกรงว่าฝ่ายพุทธบริษัทจะไม่ได้รับความยุติธรรม ถ้าให้ฝ่ายนิครนเป็นฝ่ายตัดสินง่ายท่านทั้งหลายอย่าได้วิตกไปเลยถึงแม้การโตวาธีจะให้คะแนนได้ยากอัตมาก็จะแสดงให้ดูว่าเราอาจจะได้คะแนนเป็นตัวเลขหนึ่งสองสามได้ท่านจะทำยังไงท่านคอยดูแลจะรู้เองท่านวีระสีหะเพื่อให้ประธานผู้ตัดสิน ให้คะแนนได้ยอย่างถูกต้องเขาพระเจ้าใครขอเสนอวิธีปฏิบัติท่านทันเรวัตถถ้าฝ่ายถามสามารถซักไซไล่เลียงฝ่ายตอบไปถึงที่สุดจนฝ่ายตอบอัดอั้นตันปัญญาตอบไปได้หรือยอมรับว่าเป็นจริงตามที่ฝ่ายถามเสนอขอให้ถือว่าฝ่ายซักถามได้คะแนนหนึ่งคะแนนทุกครั้งไปเมื่อฝ่ายตอบจนต่อเหตุผลแล้ว ก็ขอให้ฝ่ายตอบเป็นฝ่ายถามบ้างสลับกันไปอย่างนี้ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ข้าพระเจ้าเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลงเอาละเป็นอันว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านนิครณทาหน้าที่ประธานคอยให้คะแนนและประกาศผลในตอนสุดท้ายท่านทั้งหลายเมื่อท่านเข้าใจหลักเกณฑ์การให้คะแนนดีแล้วก็โปรดให้คะแนนไปด้วย เผือว่าในตอนสุดท้ายถ้าเกิดมีปัญหาใดๆขึ้นจะได้ช่วยเป็นพยานบัดนี้เราได้ตกลงเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมควรจะเริ่มโตวาทีได้ข้าพเจ้าอยากจะถามว่าจะให้ฝ่ายใดเป็นผู้เริ่มก่อนข้าพเจ้าขอถามก่อนให้ฝ เธอท่านทั้งหลายอย่าได้คัดค้านเลยถามก่อนหรือหลังไม่มีข้อใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรฝ่ายตอบอาจจะย้อนถามกลับได้ทุกเมื่อข้ายังงั้นข้าพระเจ้าจะเริ่มถามปัญห า, าแรกเอาละ่ะเชิญท่านวนรศรีหะถามได้เลยพระเทวทัตมีความอาฆาตพยาบาทพระสมณคดมจริงใท่หรือไม่ใช่ พระเทวทัตได้คบคิดกับพระเจ้าอชาชาตรูยุโยงให้ปรงพรชนพระราชาเทวดาพิมพิสารใช่หรือไม่ใช่พระเทวทัตได้สมคบกับพระเจ้าอชาชาตรูให้ปล่อยทางนาราคิรีไปสังหารพระสมนโคดมได้จ้างนายกรหมังธนูไปยิงพระสมนโคดมและปีงึงขึ้นไปบนยอดเขาคึจกูดกริ้งกรอนหินลงมา หวังให้ทับพระสมณโคโดมใช่หรือไม่ใช่พระเทวทัตได้ทําให้พระสงฆ์สาวกของพระสมณโคโดมแตกแยกออกเป็นสองผู่กจริงหรือไม่จริงพระเทวทัตเป็นญาติสนิทของพระสมณโคโดมและได้ออกมันพระชาศึกษาปฏิบัติอยู่ใกล้ชิตพระองค์เป็นเวลาช้านานใช่หรือไม่ใช่ พระเทวทัตเป็นคนทั่วช้าเร็วสามมีจิตสนดาลเต็มไปด้วยกิเลสใช่หรือไม่ใช่ท่านผู้เจริญ น, นึงหลายเมื่อข้าเจ้าถามว่าพระเทวทัตเป็นคนทั่วช้าก็ได้ถามว่าพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระสมณะโคดมเป็นผู้ออกบรรพชา และปฏิบัติอยู่ในสำนักพระสมณโคโดมมาเป็นเวลานา น, านก็ดีพระเรวัตรรตอบรับว่าเป็นความจริงทุกขอ้อเมื่อเป็นเช่นนี้วิญยูชนทั้งหลายยอมจะเห็นพ้องต้องกันกับข้าพเจ้าว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสมณโคโดมนั้นเป็นสิ่งไร้ผลเพราะไม่สามารถทำคนทั่วให้เป็นคนดีได้ ข อ, อนี้เป็นความจริงหรือไม่ท่านรู้เห็นยังไงคอยตอบอย่างนั้นท่า i mean. นผู้เป็นประทานท่า okay นก็ได้ฟังแล้วว <speakers> ่าพระเรวัตได้ตอบรับเป็นความจริง ตามที่ข้าพเจ้าถามทุกประการสมควรที่ข้าพเจ้าจะได้รับคนแนนในตอนแรกนี้แล้วที่อยากได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ตอบนะฮัดมือชกแก่ปเดี๋ยวก่อนท่านประธานท่านได้คะแนนตอนนี้ยังไม่ได้เพราะอะไรเวบบะเพราะข้าพเจ้ายังไม่ได้ตอบโต้ประเด็นของท่านวีรศรีฮะประเด็นสําคัญของท่านผู้ถามอยู่ที่ว่าพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผล เพราะไม่สามารถทําให้พระเทวทัตผู้ชั่วช้าเลวทรามกลับเป็นคนดีได้ข้าพระเจ้าขอโอกาสแก้ประเด็นนี้สกัก่อนถ้าข้าพเจ้าแก้ไม่แจ่มแจ้งชัดเจนก็ให้ท่านวีรศรีหะซักถามเพิ่มเติมได้ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถตอบได้นั่นแหละคะแนนควรเป็นของท่านแต่ถึงยังไงก็ตามข้าพเจ้าก็ควรได้คะแนนตอนนี้หนึ่งคะแนนเพราะอะไรถึงต้องได้วีรศรีหะ ท่านเองพูดไว้ตอนต้นแล้วว่าถ้าฝ่ายตอบยอมรับว่าจริงถ้าไม่ฝ่ายถามสักถามฝ่ายถามยอมได้ถึงคะแนนท่านเองก็ยอมรับแล้วว่าพระเทวทัตเป็นคนั่วเป็นผู้ปองร้ายพระสมณะโคดมเป็นผู้ยุยงพระเจ้าอาชาศัตรูกระทำปิตุขาตเป็นผู้กระทําสังฆเภทท่านยอมรับแล้วเช่นนี้ ข้าพระเจ้าจึงสมควรได้คะแนน สาธุชนทั้งหลายถ้าทุกคนทําหน้าที่เป็นผู้โต้วาทีเสเองไม่ยอมให้ผู้แทนทั้งสองฝ่ายโต้กันการโต้วาทีก็เป็นไปไม่ได้เมื่อการโต้วาทีเป็นไปไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ข้าพเจ้าจะมานั่งอยู่ที่นี่เพราะเราเงียบแล้วเถินท่านโต้วาทีกันต่อเถอะก่อนที่จะดําเนินการโต้วาทีข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายยอมรับอย่างหนึ่งก่อนอะไรแล้วท่านธรรมณะ พวกท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้ฟังอย่างเดียวจะไม่พูดสอดโต้แย้งคัดค้านใดๆทั้งสิน้นผู้ที่ทำหน้าที่โต้วาทีขอให้เป็นหน้าที่ข้าพเจ้ากับท่านวีระสีหะแต่เพียงสองคนเท่านั้นท่านผู้ใดเห็นด้วยก็ให้นั่งอยู่นิ่งๆท่านผู้ใดไม่เห็นด้วยขอให้ลุกขึ้นยืนพูดออกมาก็เป็นอันว่าท่านทั้งหลายยอมรับที่จะเป็นผู้ฟังอย่างเดียวดีแล้ว ขอให้ทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงเรื่องที่ค้างอยู่ให้ไปที่ตกลงกันซะก่อนท่านเวราสีหะท่านเรวตักพูดมาเลยท่านยังเห็นว่าท่านควรได้รับคะแนนจากการสักถามข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องพระเทวทัตที่ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นความจริงอยู่อีกหรือไม่ข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้าควรได้รับคะแนนข้าพเจ้ายินดียกคะแนนให้เป็นของท่าน ดีมากท่านเรวตัตต์แต่ท่านอย่าลืมว่าการถามเอาความจริงให้ผู้ตอบยอมรับนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากเทพเจ้าอาจจะถามความจริงบางอย่างให้ท่านยอมรับและทำคะแนนให้ตัวเองได้ไม่รู้จักสิ้นสุดท่านคิดอย่างนั้นเหรอถูกแล้วการซักถามความจริงให้คู่ต่อสู้ยอมรับเป็นเพียงวิธีการชักนำให้ผู่ต่อสู้เข้าสู่จุดสาคัญของการโตวาทีเท่านั้น ไม่ใช่จุดสาคัญที่แท้จริงให้กระจางกว่านี้สักหน่อยเถอะเลวัตต์อย่างที่ท่านถามข้าพเจ้าว่าพระเทวทัตเป็นคนชั่วจริงหรือไม่ข้าพเจ้าก็ตอบไปตามความเป็นจริงว่าใช่แต่ความจริงแล้วนั่นไม่ใช่จุดสําคัญของเรื่องเป็นเพียงการชักนําไปสู่จุดใหญ่และประเด็นสําคัญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ท่านพูดว่าพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีผล เขาไม่สามารถทําคนชั่วให้เป็นคนดีได้นี่คือประเด็นสาคัญของเรื่องที่ท่านเสนอขึ้นมาเขาพระเจ้าต้องแก้ประเด็นนี้ให้ตกถ้าข้าพเจ้าแก้ไม่ตกท่านจะได้คะแนนหนึ่งคะแนนแต่ถ้าข้าพเจ้าแก้ตกก็ไม่มีไฟใดได้คะแนนเป็นอันว่าเสมอกันไปการให้คะแนนควรถือการแก้ปัญหาเป็นสาคัญไม่ใช่คะแนนจากคาถามเล็กน้อยที่นาไปสู่ประเด็นใหญ่ ข้าพเจ้าจึงขอถามท่านอีกครั้งหนึ่งว่าจะเอาอยัางไงกันแน่ให้เป็นปรานใหท่านเสนอหมายความว่าประทานในคะแนนตาประเด็นสําคัญถ้าผู้ตอบตอบประเด็นสําคัญของผู้ถามไม่ได้ผู้ถามมีสิทธิ์ได้หนึ่งคะแนนถ้าการโต้วาทีของเราดําเนินไปได้วยความเข้าอกเข้าใจอันดีต่อกันก็คงไม่มีอุปสรรคใดๆขัดข้องต่อไปนี้ ถึงวาระของข้าพเจ้าที่จะแก้ข้อกล่าวหาของท่านเชิญท่านเรวัตต์เถ้าพเจ้าจะแก้ข้อกล่าวหาของท่านล่ะนะวีรศรีหะแก้ข้อกล่าวหามาได้เลยเรวัตต์ ประเด็นสำคัญของท่านมีอยู่ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผลไม่สามารถทำให้พระเทวทัตผู้ชั่วร้ายกลายเป็นคนดีได้ใช่หรือไม่ใช่เอาละ่ะข้าพเจ้าเข้าใจประเด็นสำคัญของท่านแล้วหวังว่าผู้ฟังทุกท่านคงเข้าใจเช่นเดียวกันต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะซักถามท่านบ้างท่านรู้เห็นอย่างไรขอให้ตอบตามความเป็นจริง ปัญหาแรกที่ข้าพเจ้าจะถามก็คือว่าพระสาวกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะที่เป็นภิกษุบริษัทมีจานวนมากใช่หรือไม่ใช่ท่านพอจะประมาณได้ไหมว่าพระภิกษุมีจำนวนร้อยจานวนพันหรือจำนวนหมื่นข้าพเจ้าไม่ทราบจาจนวนแน่นอนแต่เข้าใจว่าจะมีจำนวนเป็นหมื่นคําตอบของท่านถูกต้องทีเดียว พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีจํานวนเป็นหมื่นท่านยอมรับหรือไม่ว่าพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นมาจากคนทุกชั้นวรณะในชมพูทวีปบางคนเคยเป็นคนชั่วเลวซา ม, มาก่อนแต่เมื่อได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาจึงกลับตัวเป็นคนดีข้าพระเจ้ายอมรับว่าเป็นความจริงบางคนก็เคย